หลวงพ่อก็เคยถามพระของหลวงพ่อเหมือนกันถามญาติโยมหลวงพ่อเหมือนกันการที่หลวงพ่อพูดอบรมอะไรออกไปเนี่ยมันเกิดประโยชน์มากไหมหรือว่าหลวงพ่อเองพูดเปล่าๆไปแล้วก็ผู้ฟังก็ฟังไปอย่างงั้นละ่ะก็เองเนี่ยตั้งใจพูดแต่คนอื่นฟังก็อย่างนั้นอย่างงั้นล่ะอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าผู้ฟัง ฟังไปแล้วมีเหตุมีผลบินคติตัวอย่างหรือเป็นแนวความคิดสําหรับผู้ได้ยินได้ฟังอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ที้หลวงพ่อถามผู้ที่อยู่ใกล้เขาก็วอกว่าดีหลวงพ่อหลวงพ่อพูดมีประโยชน์แต่ท้าเรียมาถามผู้อยู่ใกลก็อย่างว่าอีกเหมือนกันเขาจะปฏิเสธได้ยังไงเพราะเขาอยู่ใกล้โอ้ยท่านอาจารย์พูดไม่ได้เรื่องเอย่างนี้มันก็อย่างไงอยู่สิ่งเหล่านี้หลวงพ่อเองก็ ได้คิดเหมือนกันอตัวเองว่าตัวเองพูดถูกเหมือนกับนักร้องบางคนหมอลําบางคนตัวเองลองลําทําเพลงขึ้นมาโอ้โหซึ้งมากเลย น, นี่ยเสียงเพราะมากในความรู้สึกของตัวเองน้ําตาหลังหล่งน้ําตาไหลเะไรเงี้นแต่แต่คนอื่นผู้ฟังหนึ่งสู้เสียงหมาหอนก็ไม่ได้อย่างงั้ยนี่หลวงพ่อควรมจะเป็นอย่างนั้นอีกเหมือนกันคือแนวความคิดของหลวงพ่อเนี่ย คล้ายๆกับว่าแสดงความคิดเห็นในชุมชนและสังคมการอบรมธรรมะถ้าจะว่าไปแล้วหลวงพ่อพูดมากไหมถ้าจะพูดตามเนื้อหาสาระก็ไม่น่าจะว่าพูดมากเพราะเหตุไรเพราะหลวงพ่อมาอยู่ที่นี่เป็นเวลา26ปีเข้ามาแล้วถ้า26ปี MP3 ออกไปถ้าคิดดูแล้ว26ปีเนี่ยปีหนึ่ง365วัน365วันกี่ชั่วโมง เอายี่สิบสี่ชั่วโมงคูณเข้าไปสามร้อยหกสิบห้าวั น, เ, นเมื่อออกมาแล้วทีนี้เอายี่สิบหกปีคูณเข้าไปอีกแล้วจ ค, คิดเป็นชั่วโมงออกมาพูดแบบง่ายๆแล้วงั้นถ้าจะว่าไปแล้วพูดธรรมะเนี่ยถ้าจะว่าพูดมากก็กิเลสจมตีเฉยๆถ้าจะว่าพูดทําไมว่ากิเลสจมตีเข้า กิเลสพูดทั้งวันทั้งคืนนะมีอะไรมีตะโลกมีตะโกธมีตะหลงมีแต่เรื่องราคะโทสะโมหะเอามาพูดกันมากมายทําไมไม่พูดไม่รู้ว่ามันมากพูดกันทั้งวันเป็นเสียตลับเท่านั้นเองหลับก็ยังละเมอเพ้อไปอีกอใจก็ยังฝันไปอีกแปลว่าคนนั้นคิดมากพูดมากอย่างนั้นแแต่เอาธรรมะมาพูดเนี่ย สิ่อย่างนั้นนะสมาธิอย่างนี้นะปัญญาอย่างนี้นะควรทำตัวอย่างนี้นะควรปรับปรุงแก้ไขกายว า, ายใจใจอย่างนี้นะเนี่อย่างนี้เพูดอย่างที่หลวงพ่อพูดในเอ3สเนคล้ายๆว่าพูดในลักษณะธรรมะน้อยไปหรือมากไปเแต่ถ้าเอากิเลสพูดก็ตรงว่าหลวงพ่ออินพูดมากไปแต่ถ้าว่าธรรมะพูดนะ่ยมาทบทวนดูแล้ว อก็ไม่น่าจะว่าพูดมากเพราะเหตุไรเพราะประเมินเวลาออกมาแล้วก็อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวแต่ว่ามันเป็นประโยชน์ไหมเท่านั้นเองถ้าหาว่าไม่เป็นประโยชน์ถึงจะพูดมากเลยพูดน้อยก็ไม่เกิดประโยชน์ในเมื่อไม่เกิดประโยชน์แล้วไปพูดไปทําไมเอขยะที่มันน้อยก็คือขยะ อที่พูดมากเท่าไรก็ยิ่งเป็นขยะก็ยิ่งเป็นขยะมากอขยะในชุมชนสังคมพูดไปเท่าไรก็ลกหูของชุมชนและสังคมพูดไปก็ไม่เกิดประโยชน์อันนี้หลวงพ่อก็เดมาทบทวนเหมือนกันนะไม่ใช่หลวงพ่อไปที่ไหนก็อยากจะพูดอน้ำลายฟุง้งฟูมไปหมดไม่ใช่อย่างนั้นก่อนที่จะพูดขึ้นมาได้หลวงพ่อก็คิดวเอวานี้จะพูดเรื่องอะไรและจะโยงยายไปถึงจุดไหนบ้าง และเป็นแนวความคิดของพวกเราผู้ได้ยินได้ฟังเกิดประโยชน์ไหมอย่างที่หลวงพ่อพูดไว้เ น, นี้กัหลวงพ่อคิดแล้วว่าหลวงพ่อจะพูดว่าให้เป็นแนวความคิดว่าเออซี CD หรือ m อ3ของหลวงพ่อเนี่ยพูดไปพวกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในฐานะที่เข้ามาอยู่ใกล้หลวงพ่อ แ, แล้วก็มาศึกษาแลมาฟังธรรมะจากหลวงพ่อมีความเห็นว่ายังไง เอถ้าหากว่าหลวงพ่อถามเองพวกท่านทั้งหลายก็คงจะไม่ปฏิเสธเพราะลูกศิษย์อยู่ใกล้ชิดจะปฏิเสธอาจารย์ได้ยังไงใช่ไหมแล้วถ้าได้พวกท่านทั้งหลายถามรู้สึว่าคนไกลๆอ ไ, ได้ฟังเอ็มพีสามของหลวงพ่ออินไหมเป็นยังไงถ้าเขาตอบว่าโอ้ยังงั้นอย่างงั้นล่ะได้ฟังดีไหมต้องถามเขาอีกว่าได้ฟังในรายละเอียดไหมได้วิจารณ์ออกมาไหม กันที่หนึ่งว่าอย่างไรกันที่สองว่ า, างไงแผนที่3แผนที่4ว่ายัางไงถ้าเขาวิจารณ์ออกมาได้เป็นฉกัฉกฉะแสดงว่าเขาฟังเขาฟังด้วยดีแล้วขอวิจารณ์ออกมาคนนั้นควรจะเชื่อเชื่อถือเขาเออบอกว่าเกิดประโยชน์หรือไม่เกิดประโยชน์แต่บางคนไม่ได้ฟังแล้วก็พูดออกมาเลยอันนั้นไม่น่าเชื่อถือเพราะเขามีอะไรในจิตใจของเขา เ, เพราะความไม่พอใจหรือว่ากิเลสอยู่ในจิตใจของเขามันมีอยู่ ธรรมดากิเลสกระทำมันก็ต้องผักดันกันกิเลสมันไม่ยอมทำอยู่แล้วไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนกิเลสตัวทิฏฐิมานะมันก็ขวางทำอยู่แล้วเพราะนั้นถ้าหากว่าพวกเราได้ฟังผู้ ว, วิจารณาออกมาหลวงพ่อเขาอยากจะฟังจุดนั้นอีกเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าหลวงพ่อได้ฟังแล้วหลวงพ่อจะทํำยังไงหลวงพ่อว่าเออถ้าเป็นขยะมากเกินไปหลวงพ่อก็คงจะถอยฮ ก็ไม่พูดเพงั้นเนีย่คยค่อยๆถอยๆ ถ, ถ, ถ, ถ, ถ, ถ, ถอยออกแต่ถ้าว่ามันเกิดประโยชน์ก็คงจะพูดแต่ผมพ่อเองก็ถามเจ้าคณะจังหวัดนะท่านเจ้าคุณราชเจ้าคณะจังหวัดอุดรองค์ปัจจุบันนี่แหละเป็นไงท่านเจ้าคุณผมกับผมได้มอบ MP3 มพีสามให้พระเดชพระคุณได้ฟังไหมเพราะว่ากผมคิดว่าพระเดชพระุณเป็นฝ่ายปกครอง เป็นเจ้าคณะจังหวัดแล้วก็ MP3 ของกระผมออกมาเผยแผ่แล้วได้ยินคู่คนบางทีคนจะตำหนิ อ, อา้าวท่านเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดทําไมให้ MP3 มพีสท่านอินออกมาได้ยังไงฟังมาแล้วมันเสียชุมชนเสียสังคมเสียการปกครองเสียคณะสงฆ์ไม่เป็นไปเพื่อหลักธรรมพินัยเจ้าคณะจังหวัดให้ออกมาได้ยังไงเพราะ น, นั้นให้พระเดชพระคุณฟังดูที่ การอบรมของผมเป็นแนวแถวของทำคําคสั่งสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นแนวทำคําคสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหลักธรรมวินัยใหมเอแต่ท่านก็บอกว่าที่ฟังฟังมาเนี่ยก็ผมก็ว่าหาฟังได้ยากนะแตอท่านพูดต่อหน้านะแต่นี่หลวงพ่อเองก็ยังไม่อก็ยังยังฟังไม่อยู่งั้นขอนิมโมทนท่านอาจารย์พูดอบรมไปเรื่อยๆเถอะพวกวันนี้หา พูดที่จะพูดธรรมะอย่างที่ท่านอาจารย์หาได้ยากแล้วเนี่ยโดยมากมีแต่พูดคุยไปอย่างอื่นเนี่ยแต่ท่านอาจารย์เนี่ยเป็นธรรมะที่ทันสมัยนะผมว่าเนี่ยคล้ายๆกับว่าเข้ากับยุคท่านก็ลักษณะอย่างนั้นน่ะอันนี่คือคือท่านเจ้าคณะจังหวัดแต่หลวงพ่อก็ฟังนะแต่ถึงยังไงก็ตามหลวงพ่อก็จะฟังฟังไปเรื่อยๆเหมือนกันแต่ว่าหลวงพ่อก็คิดในใจอีกเหมือนกันม่า ขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้หลวงพ่ออายุเท่าไหร่อายุหกสิบสามปีเมื่อยี่สิบเจ็ดเมษาที่ผ่านมานะเดือนนี้ก็เป็นวันนี้เท่าไหร่นะวันที่เก้าตุลาห้าศูนยะ์แปลว่าหกสิบสามหกสิบสี่ล้ำเข้ามาหลายเดือนแล้วนะทีนี้หลวงพอ่อจะพูดไปอีกกี่ปีอันะนะีนะ้กนะ็นะ ไม่มีใครที่จะคำนวณได้แต่หลวงพ่อนึกในใจว่าถ้าสุขภาพดีไม่น่าจะเกินเจหลวงพ่อคงจะพูดช้าๆไปเรื่อยเหมืงั้นเถะเป็นคนแก่ไปเรื่อยล่ะพอดูดูแลสุขภาพหลวงพ่อเนี่ยไม่เหมือนครูบาอาจารย์อื่นเนี่ยท่านมักขามข้อเดียวกระทัดรัดเหมงั้นเถอะแต่หลวงพ่อนี่โค้งเค้งเต็มทนเหมงั้นเถอะหลวงพ่อดูตัวเองอยู่นะดูโครงสร้างของตนเองอยู่คงจะพูดอะไรไม่นาน เ, เพราะนั้นขณะนี้ยังพอที่จะพูดได้ ได้ศึกษากับพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาอย่างไรก็ควรจะแสดงความคิดเห็นให้ลูกหลานได้ศึกษาต่อไปภายภาคหน้าว่าจะเกิดประโยชน์ไหมหลวงพ่อก็คิดอย่างนั้นเองแต่ถ้าว่าฟังฟังดูแล้วไม่เกิดประโยชน์อราหลวงพ่อเป็นขยะเฉยๆหลวงพ่อก็คงจะหยุดพูดเพราะว่าการพูดเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่ใช้พลังธรรมดานะี่เป็นแนวความคิดออกมาลจากด้านจิตใจจริงๆเป็นคําพูดของ พระป่าพระดงเนี่ยไม่ใช่จําตำรามาพูดนะถ้าจําตำรามาพูดเนพูดอีกอย่างหนึ่งแล้วไงแน่แต่ที่พูดออกมาจากจิตใจจากความรู้สึกจากความรู้สึกจากจิตใจถ้าว่ามีเสียงอะไรมารบ ก, กวนเนี่ยพูดไม่ได้เลยอย่างหลวงพ่อพูดมีอะไรเข้ามารบ ก, กวนพูดไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าหาวัดอยาก จ, จะพูดต้องอยู่ในความสงบแล้วกับพูดให้ฟังแต่ถ้าหาวัดอย่างทุกวันนี้ก็เหมือนกันเมื่อวานบางกรก่อ น, อนหี่จากกรุงเทพ ขอนิมนไปเทศหลวงพ่อ บ, บอกว่าปฏิเสธไปนะแปลว่าเดี๋ยวนี้กำลังหลวงพ่ออินกำลังจะ ด, ดังเหมือนกันดังกับดับคนอยู่ใกล้ๆกันนะ เ, เพราะนั้นหลวงพ่อเนี่ยที่ว่าพูดหรืออบรมก็ดีหลวงพ่อคิดในเฉพาะหน้าท่านเองเอไม่ใช่จะประกาศาในที่สาธารณะกว้างไกลใหญ่โตไม่ใช่อันนั้นนะมอบให้ครูบาอาจารย์ผู้ท่าน เรียนรู้ศึกษาในหลักธรรมธรวินัยกว้างขวางสักสำหรับหลวงพ่อเองก็คืออบรมคณะศิษยานุศิทย์ที่มาเกี่ยวข้องอย่างแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปว่า ง, งั้นเถะผู้ที่มาเกี่ยวข้องก็เอาพูดให้ฟัง่มีความคิดเห็นยังไงเอาแสดงให้ฟังมีปัญหาอะไรถามมาถ้าหลวงพ่อแก้ได้หลวงพ่อก็จะพูดให้ฟังที่ได้ศึกษามาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะชีวิตของหลวงพ่อฝังไว้ในพระพุทธศาสนาตั้งแต่ปี2500 เป็นสัมเรณันเนี่อปีนี้เท่าไหร่สอง0ันห้าร้อยห้าสิบนั่นแหละชีวิตของหลวงพ่อฝังไว้ในพระพุทธศาสนามากขนาดนั้นละมั่งกันเอแต่อาจจะเป็นทัพพีแช่อยู่ในหม้อกแกงก็ได้ถึงจะแช่นานขนาดไหนมีแต่เกลือกัดมีแต่ทัพพีจะขูกท่านเองมันคงไม่รู้รสของแกงแต่หลวงพ่อก็เลยให้เป็นลิ้นบ้างแล้วั้นะรู้จัก เผ็ดเผเค็มเค็มบ้างอธิบายให้ศรัทธาญาติโยมลูกหลานได้ศึกษาได้ฟังเมื่อการบวชเป็นยังไงมีความรู้สึกยังไงอยู่ป่าเป็นยังไงปฏิบัติภาวนาจิตตภาวนาเป็นยังไงศีล ส, สมาธิปัญญาในความรู้สึกของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่ออินปฏิบัติมาเป็นยังไงหลวงพ่อก็ได้เรียบเลียงออกมาเป็นเอ็มพีสามอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังเพราะนั้น ผู้ใดก็ตามได้ยินได้ฟังและหลวงพ่ออยากจะฟังเสียงสะท้อนย้อนกลับมาเหมือนกันว่าเป็นประโยชน์ไหมถ้าไม่เป็นประโยชน์หลวงพ่อก็จะต้องล่า ถ, ถอยคลายออกมาจะหยุดพูดในที่สุดเพนั้นพูดไปแล้วไม่เกิดประโยชน์จะพูดไปทําไมออยากพูดทําไมอยากพูดไหมอยากจะมีชื่อเสียงโด่งดังไหมอยากจะมีราบยศสนรเสริญไหมพอถามดูลองไม่เห็นจะมีไม่เห็นจะอยาก นี่ปินทบาทถึงยังไงยังไงกับฉันอิ่มเป็นวันๆก็เพียงพอแล้วนีอ่อีกไม่ถึงร้อยปีกับต่างคนต่างไปแล้วหงพ่อเองไม่คิดว่าจะอยู่ถึงร้อยปีนาเนีไม่รู้ว่ากี่ปีแล้จากนี้ไปจากนั้นก็ทิ้งกระดูกไว้ในโลกนี้อีกเพราะนั้นสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีสิ่งไหนที่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคมต่อประเทศชาตาิต่อโลกแล้วก็ควรจะทําสิ่งนั้นให้ดีที่สุดในขณะที่ ตัวเองเกิดมาในโลกอย่าให้เป็นขยะของเขาอย่าให้เป็นมนทินเมื่อตัวเองตายไปแล้วเ็าคนด่าโคมๆตามหลังอีกอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ถูกต้องในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ควรจะช่วยเหลือชุมชนสังคมอย่างไรไม่เดือดร้อนตนและผู้อื่นนะตนก็ไม่ให้เดือดร้อนผู้อื่นก็ไม่ให้เดือดร้อนนั่นแหละหลวงพ่อคิดเพียงเท่านั้นส่วนอื่นหลวงพ่อไม่ได้คิดอะไรมากเพียงแค่นี้ก็เพียงพอแล้ว ลาบยศชนะเสือสุกเป็นผ้านี่ยศพระนี่พอแล้วงั้นดดเดี๋ยวศพระอยศลูกยศพระ อ, อินเนี่ยสันตุสโกนี่พอแล้วงั้นดเดี๋ยวไม่น่าจะเอาเกินไม่น่าจะเอามากกว่านี้อลาบนี่นก็พอแล้วบินทวารได้ฉันพี่น้องลูกหลานใส่บาตรให้ฉันเอาพอแล้วลาบจะเอาขนาดไหนออีกยศขนาดนั้นแหละันะเสืออยู่ในปากของพวกเราท่านทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายหลวงพ่ออินดีอย่างนี้หลวงดีอย่างนี้ ถ้าหลงโพ อ, อินไม่ดีก็จะเกิดประโยชน์อะไรเอถ้าหากว่าพวกเราหลงโพ อ, อินดีอยู่แล้วเอแต่พวกเราไม่ยกย่องสนับสนุส น, นก็ดีอยู่แล้วจะทําอะไรส่วนสุขถนะ้าหลงโพ อ, อินหาเองเหมือนกัอถ้าหลงโพ อ, อินขี้เกียจภาวนาหลงโพ อ, อินก็ทุกใจเราเงั้ยถ้าหลงโพ อ, อินภาวนาชําระกิเลสกายว่าใจใจถอดถอนกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากใจอหลงโออินหลงโพ อ, อินก็มีความสุขเองความสุขต้องหาเอง ลาบยศสารเสริญสุขวันนี้หลวงพ่อได้พูดแนวความคิดให้แก่พวกเราทุกๆ ท, ท่านให้เป็นแนวความคิดส่วนหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ให้ญาติโยมลูกหลานพระเนนทั้งหลายไตรตรองดูด้วยเหตุผลแล้วก็ให้ถามไถ่ดูศึกษาดูนว่าหลวงพ่ออินพูดเป็นยังไงให้พวกเราทั้งหลายได้ศึกษาแล้วเป็นยังไงจากนั้นก็ให้มาบอกกล่าวหลวงพ่อด้วยนะ กระชิบกระชิบหลวงพอ่อแล้วหลวงพอ่อหลวงพอ่อไม่ได้เรื่องหรอกที่หลวงพ่อพูดไปในะเสียงสะท้อนย้อนกลับมาไม่ได้เรื่องเพลาเพลาลงหน่อยนะหลวงพ่อนะควักควักควักสีข้างหลวงพอ่อหลวงพอ่อให้ได้เตรียมตัวหยุดเพราะงั้นเถอะมันต้องอาศัยพวกอยู่ใกล้นะอ า, อาศัยลูกหลานนะาเนี่ยพระเนนเพราะว่าพานหลวงพ่อเนี่ยกัน เ, เป็นมโหงมหากรหลายวงเนะี่ยอยู่เนี่ยแล้วก็เป็นปริญญาตรีโทก็หลายองค์ เออเป็นต่างชาติอีกต่างหากข้าต่างชาติก็หกองทั้งฝ่ายในครัวอีกสองอีกความต่างชาติฝ่ายนั้นถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็ค ว, วักหลังควักข้างสีข้างหลวงพ่อก็ได้หลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อหลวง พ, อ, พ, อ, พอลงหน่อยหนะ้าเนี่ยหลวงพ่อก็จะได้หาทางลงนะถ้าพวกเราไม่รักกันใครจะมารักพวกเราถ้าครูบาอาจารย์สุขสิบลูกหาไม่พึ่งพาอาศัยกัน ใครจะให้ความพึ่งพาอาศัยกันเพราะนั้นพวกเราต้องพึ่งพาอาศัยกันอ่ะูบาาจารกับพึ่งพาสิทธ์แบบหนึ่งสิทธิ์ก็พึ่งพากูบายจารแบบหนึ่งเหมือนกันอ่ะพึงพาอาศัยกันจึงจะร่มเย็นเป็นสุขนะอ่าวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดก็เห็นว่าพอสมควรจานี้ไปรับพรนะเทนีนะอนุโมทนาให้พร